สังคมมันเปลี่ยนเร็วนะช่วงนี้คนโบราณรุ่นปู่ยา่าตา ย, ยายหลวงพ่อนะเกิดมายัางไงตายไปแบบนั้นบ้านเมืองไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนไปเรืเร่อยๆมาถึงวันนี้มันก็เปลี่ยนครั้งใหญ่นะมีโควิดเข้ามา การดำรงชีวิตแะ้วก็เปลี่ยนหมดอาชีพการงานบางอย่างก็หายไปบางอย่างก็เกิดขึ้นใหม่คนไหนปรับตัวได้ตามทันได้ก็อยู่รอดปรับตัวไม่ได้ตามไม่ทันไม่เข้าใจก็อยู่ไม่ได้เป็นหลับ ของการพัฒนาการเหมือนสัตว์ทั้งหลายดินฟ้าอากาศเปลี่ยนไปมันปรับตัวได้มันก็อยู่รอดมาปรับตัวไม่ได้มันเผ่าพันธุ์นั่นก็หมดไปนี่เราไปควบคุมบังคับไม่ให้โลกมันเปลี่ยนแปลงมันทำไม่ได้ มเหตุปัจจัยต่างๆมากมายที่ทำให้มันเปลี่ยนยิ่งกำลังของกิเลสมันแรงเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งดิ้นรนที่จะให้เปลี่ยนให้เร็วเท่านั้นนี่ถ้าเราหยับยังมันไม่ได้นะเราก็ทำความเข้าใจมันโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลง สิ่งทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงเห็นไหมว่าธรรมะเท่านั้นแหละที่มันไม่เปลี่ยนแปลงงนโลกมันเปลี่ยนแปลงแธรรมะมันไม่เปลี่ยนแปลงยังไงมันก็ไม่เที่ยงยังไงมันก็ทนอยู่ไม่ได้สภาวะทั้งหลายบางธีเราดิ้นรนธรรมะหาจินนะ กิจการของเราก็มั่นคงแนละ้วอยู่ๆก็ล่มสลายไปเฉยๆสิ่งทั้งหลายมันเกิดแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไม่คงที่มีแล้วก็หมดไปของที่ยังไม่หมดไปก็กาลังถูกบีบคั้นให้หมดไปถูกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามที่เราอยากเราสั่งไม่ได้ นี่ก็คือคาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้วนี่อนิจจังของเคยมีเคยเป็นแล้วก็หมดไปสิ้นไปนะของที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่กำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปนี่ตัวทุกขังสิ่งทั้งหลายจะมีอยู่จะหมดไปเป็นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เพราะเราสั่งนี่คืออนัตตาเมตธรรมะมันไม่เปลี่ยนแปลง ถึงบริบทสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันเปลี่ยนเนื้อแท้ของธรรมะไม่เปลี่ยนเราภาวนาจนเข้าถึงแก่นของธรรมะแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนะว่ามันธรรมดามันไม่ใช่ของอัศจรรย์อะไรแต่มันเป็นของธรรมดาเป็นอย่างนี้แหลนะนะเราฉะนั้นเราจะไม่ต้องต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพราะมันต้านไม่ไหว ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ตื่นหนกกับความเปลี่ยนแปลงเพราะเรารู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันธรรมดาเพราะั้นเราเรียนธรรมะนะเราเข้าใจธรรมะเราก็คือเข้าใจว่าธรรมดาของโลกธรรมดาของชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละพอเราเข้าใจแล้วใจเราก็ไม่ดิ้นรนทุกทรมานยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ถ้ความเปลี่ยนแปลงมีอยู่เรายอมรับไม่ได้เราปรับตัวไม่ได้เราก็ต้องหมดไปเส้นไปเหมือนไดโนเสาร์เหมือนสัตว์ต่างๆสูญพันธุ์ไปเยอะยะเลยต้นไม้หลายอย่างสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนนี่นเราเรียนธรรมะนะเราจะเรียนเขาก็เข้าใจว่าธรรมดามันเป็นยังไงธรรมดาของโลกนะ สิ่งที่เป็นโลกใกล้ชิดที่สุดก็คือตัวเรารูปกนามที่เป็นตัวเราเนี่ยเรียกว่าโลกโลกภายในโลกภายนอกก็มีอาการอย่างเดียวกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนี่เวลาเราเรียนรู้เนี่ยเราเรียนรู้จากโลกภายนอกนะมันไม่มีวันจบวันสิ้นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ต้องเรื่องอื่นนะเรื่องทางการแพทย์เนี่ย ยุคหนึ่งหมอบอกทำอย่างนี้ดีอีกยุคหนึ่งบอกไม่ดีเรื่องเดิมแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยไม่รู้อันไหนดีอันไหนไม่ดีหรอกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างยุคหนึ่งนะเรื่องสุขภาพนะสมัยชมพลปอมีคำขวัญหมบอกกินไข่เวละฟองไม่ต้องเรียกหาหม อ, นะนะ ก, นะอกินไข่ดีควรอย่ากินไข่เพราะคนไทยยุคนนัน้นขาดอาหาร มีแต่ข้าวก็กินแต่ข้าวอะไรเงี้ยไม่ค่อยกินโปรโตีนอียกยุคหนึ่งกินไข่ไม่ดีอีกแล้วคอเลสเตอรอลไม่ดีมายุคนี้คอเลสเตอรอลเริ่มดีอีกแล้วนะบอกถ้าไม่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายก็ไม่ดีอะไรเงี้ยก็เรียกร้องให้กินไข่กันอีกแล้วเลยไม่รู้ว่ามันดีหรือมันไม่ดีมันดีเป็นวันวัน วันนี้ดีวันนี้ไม่ดีเอาแน่อะไรไม่ได้เลยแต่ธรรมะเนี่ยมันแน่ไม่มีวันผิดพลาดเลยนี่ถ้าเราเรียนจนเราเข้าใจความจริงของธรรมะคือความจริงของโลกความจริงของโลกก็คือความจริงของกายของใจเราส่วนถึงสิ่งที่แวดล้อมกายแวดล้อมใจของเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรียนลงไปมจะเห็นใช่ไหมมีแต่ของไม่เที่ยง มีแต่ของถูกบีบคั้นมีแต่ของควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามอยากไม่ใช่ตามที่เราสั่งได้ถ้าเราเรียนอยู่ที่จิตที่ใจของเรานะ่เรียนอยู่ในกายเรียนอยู่ในใจเฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้ า, าสังเกตความจริงการเรียนกรรมฐานเนะี่ยไม่ใช่เรียนเพื่อว่าให้เหนือความจริงเราชอบ ทำอะไรให้เหนือความจริงเราไม่รู้ว่าทำ ม, ม้ามคือเรื่องธรรมดาคือความจริงเราพยายามปฏิบัติให้มันเหนือความจริงเนะช่นจิตใจเราไม่คงที่เราก็อยากให้คงที่จิตใจเราสุขบ้างทุกบ้างเราอยากให้สุขตลอดกาลอนะไรเงีนะ้ยเราเรียนรู้เข้ามาเราจะเห็นเลยทุกอย่างไม่คงที่ทุกอย่างบังคับไม่ได้ ตัอย่างไม่เป็นไปตามปรารถนาม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเรียนลงมาที่ตัวเองในทางทฤษฎีเราจะเห็นรูปภายในหรือรูปภายนอกนะมันก็แสดงใจรักเหมือนกันแต่ทุกวันนี้รูปภายนอกนะมันมีสิ่งหลอกลวงมากมายเราดูไปไม่มีวันจบวันสิ้นหรอกแต่ถ้าย้อนมาดูรูปภายในดูกลของเราเนะี่ยมันมีที่จบที่สิ้นนะ เฝ้ารู้อยู่ในกายของเราหรือเฝ้ารู้อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเราอยากรู้จิตใจคนอื่นเนี่ยไม่มีวันจบมันสิ้นหรอกเรียนรู้อยู่ที่กายของตัวเองเรียนรู้อยู่ที่ใจของตัวเองไม่มีจุดสิ้นสุดอย่างเฝ้ารู้กายนะมีพระองค์หนึ่งนะท่านดูดผมดูตั้งแต่เป็นโยมนะดูผมผมก็หายไป เห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็หายไปเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกนะ้ะหัวก็ขาดหายไปเห็นตัวก็ดูลงมาที่ตัวนนะเนื้อหนังอะไรเนะี่ยหายไปหมดเลยเหลือแต่กระดูกดูลงไปที่กระดูกนังกระดูกแตกนะและเอียดนะระเบิดเรีย้ยลงไปกลายเป็นก้อนกรวดเล็กๆน้อยๆ ดูเราไมปอีกนะก้อนกรวดเล็กน้อยนะั้นสลายตัวกลายเป็นคลื่นแสงนะกลืนเข้ากับจักรวานไปเนี่ยพอเขาเห็นอย่างนี้นะเขาก็าเข้าใจแล้วร่างกายเนี้ยไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกเร่างกายก็ไม่ใช่จิตแม้่อเรียนเรื่องกายจบละเห็นความจริงของร่างกายแล้วร่างกายนี้เต็มไปได้วยความไม่เที่ยงนะร่างกายนี้เต็มไปได้วยความทุกข์บีบคั้นร่างกายเนี้ย ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสมบัติของโลกสุดท้ายก็ต้องขืนให้โลกไปเนี่ยนักปฏิบัตินั้นก็จะดูลงมนที่ตัวเองเนดูกายจนเห็นความจริงของร่างกายร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามาเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตใจอีกก็เห็นนะจิตใจที่มีความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตใจที่มีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ใจิตใจที่ดีเกิดแล้วก็ดับไปใจิตใจที่โลภที่โกรธที่หลงเกิดแล้วก็ดับไปนะเนี่ยภาวนาแล้วเรียนรู้อยู่ที่จิตของตนเองอย่างเนี้ก็จะเห็นเลยทุกสิ่งที่เกิดมาเนี่ยล้นจะดับทั้งสิ้นมันเป็นกของไม่เที่ยงนะสิ่งที่กําลังมีอยู่ก็กําลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปอย่างมีความสุขขึ้นมาเนี่ยก็เห็นลงไปนะความสุขกําลังถูกบีบคั้นให้สลายตัว สุดท้ายมันก็าหายไปเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้ า, า, าดูอย่างเนี้ยดูลงที่กายก็เห็นความจริงของกายากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูที่จิตก็เห็นแต่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอดูอย่างแจ่มแจ้งแล้วนะมันรู้หมดแล้วรู้โลกภายในอย่างแจ่มแจ้งรู้กายรู้ใจของตัวเองแจ่มแจ้งเนะี่ยโลกภายนอกมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน ไม่มีอะไรแตกต่างกันก็คือล้วนแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเัางนนถ้าเราเห็นอย่างนี้นะโลกจะเปลี่ยนแปลงยังไงเราไม่สะเทือนเราไม่หวั่นไหวเรารู้ว่าธรรมดาเรียนจกนกระทั่งเข้าถึงความเป็นธรรมดาธรรมดาของโลกอย่างทุกวันเนี้ยเรากําลังสับสนและบางที่เราสับสนนะทุกอย่างทาไมมันเปลี่ยนไปหมดเลย เคยขับรถไปคุยกับเพื่อนนะไปกินเหล้าไปทำอะไรเดี๋ยวนี้ทำไม่ค่อยจะได้แนละ้วถึงเราอยากทำคนอื่นเขาก็ไม่อยากทำกับเราไม่อยากเจอหน้าเราอันนี้จริงๆพวกเราก็ฝึกฝนะก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตคราวนี้เราก็ฝึกฝนที่จะอยู่กับจอมาแล้วนะทุกคนก้มหน้าก้มตาดูแต่จอของตัวเองอยู่ นี่พอเกิดวิกฤตเรื่องโรคระบาดอะไรนี้แทนที่เราจะดูจอเพื่อความสนุกใช่ไหมเราทมาหากินกับจอได้เนี่ยเป็นการปรับตัวได้คนไหนปรับตัวไม่ได้ก็ลำบากคนไหนปรับตัวได้ก็อยู่รอดเดี๋ยวนี้ก็ทั้งการทำงานก็ไม่ต้องไปที่ออฟฟิศเสียเวลาอยู่ที่บ้านก็ทำได้เนี่ยสังคมมันเปลี่ยนขนาด น, นี้กระทั่งวงกรรมฐานนะวงกรรมฐาน เดี๋ยนี้ก็สอนทางไกลกันเมื่อเช้าเรางมาเล่าให้ฟังเดี๋ยนี้ใช้สูงหลวงพ่ไม่รู้จักหรอกเนี่ยสอนกรรมฐานที่เดียวทั้งหลายจังหวัดนะให้เขาไปรวมกลุ่มกันแล้วก็สอนเขาถามได้ด้วยถามตอบได้ไม่ต้องเดินทางไปเดินทางเ็าเสียงเนี่ยการปรับตัวกระทางการเผยแพร่ธรรมนะก็มีการปรับตัว อย่างหลวงพ่อเขาใช้ไลย์สดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกทันสมัยแล้วนี่เขามีซูมอีกแล้วเราตามเขาไม่ทันสักอย่างนะเมื่อก่อนมีไอจีไม่รู้จักนะไอโนนก็ไม่รู้จักไอนี่ก็ไม่รู้จักแต่ว่าหลวงพ่อปรับตัวเก่งนะเราไม่รู้จักเนละคนไหนรู้จักเราก็ถามเมาหลวงพ่อยังพูดภาษาวัยรุ่นได้ทั้งหลายคำเนะชิมนะิ ถ้าปรับตัวได้อยู่ได้ไม่ว่ากิจการใดๆนะถ้าปรับตัวไม่ได้ก็อยู่ลำบากของที่ยังปรับกันไม่ได้นะยังต้องใช้แบบเดิมอยู่มีอยู่กิจการหนึ่งลงศพคนตายเราจะใส่ศพทางอินเทอร์เน็ตได้ไหม ไม่ได้ต้องไปหาโลมาใสอย่างเงี้ยในของบางอย่างนนั้ที่อยู่ได้แต่บางอย่างมันอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้นี่ทําไงเราจะปรับตัวเข้ากับโลกปรับตัวเข้ากับโลกได้ก็ต้องเข้าใจมันเราจะเข้าใจโลกได้ถ้าเข้าใจตัวเอง ว่าตัวเราเองนั่แหลคือสูนย์กลางของโลกในความรู้สึกของเราสังเกตัม่โลกเราก็ดูนี่ตัวเรานี่ข้างนอกนั้นโลกทั้งหลายนึ่นของข้างนอกนตัวเราไอ้ตัวเร า, เราไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาสิอย่างเดียวโลกข้างนอกไม่มีความหมายอะไรล้นแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาพอเข้าใจมันเข้าใจรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติเราจะไม่ซัพเฟอร์ วความเปลี่ยนแปลง น, น, นะอยู่ได้จะอยู่ได้ดีหรืออยู่ได้ไม่ดีก็แล้วแต่แต่ว่ามันยังอยู่รอดได้ทำไงเราจะเรียนรู้ตัวเองได้นนี้ก็คือหลักของสมถกรรมฐานกบวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐาน เป็นการเรียนรู้เพื่อจะเตรียมความพร้อมของจิตใจเพื่อเอาจิตใจที่มีความพร้อมแล้วเนี่ยไปเจริญปัญญารือไปทำวิปัสสนากรรมฐานันนกรรมฐานมีสองอันสมถะกรรมฐานเนี้ยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมของจิตใจให้มีมีกำลังให้มันมีความสามารถที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจ วิปัสสนากรรมฐานเนะี่ยคือวิธีการเรียนรู้ความจริงของกายของใจฉะนนเราจะเรียนหนักๆอยู่สองเรื่องนี้แหละสำหรับการที่จะเรียนรู้ตัวเองสมถกรรมฐานนะั้นละทิ้งไม่ได้เราต้องฝึกศีลต้องรักษาสมาธมิต้องฝึกฝนสมาธิมีตั้งหลายระดับระดับ ธรรมดาธรรมดาที่คนธรรมดาอย่างพวกเราทำได้ระดับเข้าฌานเข้าอะไรอย่างเงี้ยพวกเราส่วนใหญ่ทำไม่ได้แต่าการฝึกสมาธนะิเพื่อเอาไปปฏิบัติเนะี่ยไม่จำเป็นต้องถึงฌานทุกคนหรอกนะคนอย่างพวกเรานี่แหละถ้ารู้จักสมาธิชั่วขณนะเรียกคณิกาสมาธิสมาธิชั่วขณะเราก็สามารถเดินปัญญาได้ เราอย่าดูถูกสมาธิชั่วขณะนะพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยสมาธิชั่วขณะนี่เอสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเคยชีย้ให้ภิกษุทั้งหลายดูภิกษุทั้งหลายในบรรดาพระอรหันต์ห้าร้อยรูป5้าร้อยองค์เนียมีพระอรหันต์หกสิบองค์ได้วิชาสามวิชาสามก็คือะระลึกชาติได้ รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้เี่ามีฉาดสามมีหกสิบจากห้าร้อยคือสิบสองเปอร์เซ็นต์มีพระอรหันต์อีกหกสิบองค์ได้อพิญญาหกพวกนี้มีฤทธิ์เยอะมีอีกหกสิบองค์เป็นอุปโตภาควิมุต้ได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาที่เหลือ เป็นพระอรหันตธรรมดาสุขวิปัสสกะงินพระอรหันต์ทั้งหลายเนยะที่ท่านเป็นท่านเป็ น, ปนพระอรหันต์เนี่ยนะที่ท่านทรงฌานทรงปิญญาทรงวิชานะมีความสามารถพิเศษอะไรเนะี่ยก็คือร้อยแปดสิบจากห้าร้อยสามรอยี่สิบ คือคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยนะฝึกจนล้างกิเลนได้ไม่ต้องเข้าฌานก่อนเพราะว่าเข้าไม่เป็นไปฝึกเข้าฌานอีกหลายชาติกว่าจะทําได้ไม่ใช่ฝึกชาติเดียวเข้าฌานได้นะฝึกกันหลายชาตินับภพบนับชาติไม่ถูกเลยกว่าจะทําฌานได้นี่ถ้าเรายังทําไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจเราคือเสียงข้างมากนี่ยน่าภูมิใจนะ เดี๋ยวนี้ไอ้ยาก็อ้างเสียงข้างมากอ้างประชาชนอ้างโน้น้าง น, งนี้เราเข้าชานไม่เป็นเราฝึกสมาธิชนิดง่ายๆคือฝึกสมาธิที่เรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะนะคือสมาธิชั่วขณะวิธีฝึกสมาธิชั่วขณะก็คือทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นหายใจเข้าพุดหายใจออกโธ หรือหายใจอย่างเดียวหรือพุโทโธอย่างเดียวหรือบริกรรมอย่างอื่นอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทานจิตใจตนเองไม่ใช่ฝึกให้จิตสงบนะอันนันตื้นเกินไปมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกเราจะฝึกอีกวิธีหนึ่งถ้าเราพุโทโธพุโทโธหรือเราหายใจให้จิตนิ่งว่างสงบอนะไรเนี่ยไม่ใช่ง่ายจนจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิเข้าอะไรไปเลย ไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าเราฝึกทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ได้มุ่งไปที่ความสุขความสงบหรือความดีใดๆทั้งสิ้นแต่มุ่งรู้ทันจิตใจตนเองเช่นหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยๆแ ล, แล้วจิตเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันหายใจออกหายใจเข้าจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันจิตใจตัวเองอย่างเนี้ยมันชอบหนีไปหนีไปคิดกันหนีไปเพ่ง อย่างถ้าเราดูท้องพองยุบเนี่ยไม่ใช่ดูเพื่อให้จิตไปแนบอยู่ที่ท้องถ้าเราดูท้องพองยุบนะเพื่อเป็นเครื่องระลึกเท่นานั้นของสตินี่ดูท้องพองยุบอยู่จิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดหรือดูท้องพองยุบอยู่จิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองบทเรียนนี้ชื่อว่าจิตตสิก ข, ขา การเรียนรู้จิตตนเองสิ่งที่เราจะได้คือสมาธิที่ถูกต้องพวกเราพูดออกง่ายๆนั้นบอกศีลสมาธิปัญญาแต่ทำยังไงศีลสมาธิปัญญาจะเกิดก็ต้องมีศีลสิกขาเรียนวิธีที่ให้มีศีลมีจิตสิกขาเรียนวิธีที่ทำให้จิตมีสมาธิที่ถูกต้องมีความพร้อมจะเจริญปัญญาเรียนปัญญาสิกขาือเรียนวิธีที่จะเจริญปัญญา แล้สิ่งที่เราจะได้มาคือศีลสมาธิปัญญาเราต้องรู้วิธีปฏิบัติวิธีที่เราจะเกิดสมาธิที่ถูกต้องเพื่อเอาไปเดินปัญญาเนี่ยชื่อจิตตศิกขาแั้เราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตันเองไปพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุโทโธรู้ว่าจิตหลงไปลนะพุทโธพุทโธนะจิตไปเพ่งจิตจะนิงน่งนิ่งว่างว่า ง, วางสว่างอยู่เฉยๆก็รู้ว่าจิตหลงไปเพ่งอยู่ละ หายใจไปนจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ดูท้องพองยุบจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ขยับมือทำจังหวะอย่างสายลงพ่ะเทียนเนีขยับมือขยับมือแล้วจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นก็รู้จิตไหลไปเพ่งอยู่ที่มือก็รู้จิตไปคิดเช่นคิดว่าเอท่านี้เราต่อไปจะท่าไหนอะไรเงี้ยเนี่ยจิตลงไปในความคิดแล้ว เรามีหน้าที่รู้ทานจิตตนเองไปเรื่อยๆทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทานจิตตนเองไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เรารู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นคณิกาสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่เกิดขึ้นชั่วขณ ะ, ะเช่นจิตลงไปคิดรู้ฐานปุ๊บจิตคิดดับจิตรู้ก็เกิดเนี่ยจิตรู้คือจิตที่มีสมาธิ ชนิดที่เรียกว่าคณิกะสมาธนะินี่คณิกะสมาธิเหมือนๆกับจุดเล็กๆจุดเดียวท่านนะที่เราเห็นเป็นเส้นตรงที่จริงแล้วก็คือประกอบด้วยจุดเล็กๆจำนวนนับไม่ถ้วนมาต่อ ๆ, ๆ, ๆกันนะเราเลยเห็นเป็นเส้นตรงจริตนี้ก็เหมือนกันมีสมาธิทีลกขณะทีลกขณะทีละขณ ะ, ขะขถ้านานๆมีทีนะตรงนี้ขณะหนึ่ง อีกนานเลยอีกขาดหนึ่งเนี่ยเราไม่เห็นหรอกไม่เห็นว่ามันเป็นเส้นตรงต่อเนื่องกันะนะเห็นไม่เกี่ยวกันเลยหายไปนานแต่ถ้ามันเกิดทียิบเน่ยที ท, ท, ท, ทีเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมันต่อเนื่องกันเลยสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยทีละจุดเล็กๆนะแต่เกิดบ่อยๆนะมันจะเกิดสมาธิที่มีกำลังมากขึ้นมันจะเริ่มเห็น ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงขณะจิตเดียวเนี่ยยากที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับเพราะมันเร็วเกินไปแต่ถ้ามันเกิดต่อๆๆไปเรื่อยๆ เ, ยเราจะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้ร่างกายเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่จิตใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วกว่านี่ถ้าเรามีคณิ ก, กาสมาธินะ เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเนะี่ยพอจะทำได้ไม่ยากเกินไปเหราะน้นคนที่ไม่ได้ทำฌานนะนะดูจิตนะพอไปได้แต่ถ้าจะทำฌานนะต้องใช้สมาธิที่มันจะได้สมาธิที่ลึกซึ้งกว่านั้นยาวนานกว่านั้นนี่สมาธิจิตที่มีสมาธิยาวนานกว่านั้นนะาสามารถเรียนรู้ความจริงของรูปได้ง่ายขึ้นเพราะรูปมีอายุยืนกว่าจิต รูปมีอายุยืนปว่จิตร่างกายมีอายุยืนปว่จิตนี่เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าพูดตามทฤษฎีนะมึงร่างกายรูปหนึ่งรูปเนี่ยมีอายุสิบเจ็ดขณะจิตจิตเกิดดำได้สิบเจ็ดวงถึงจะมีรูปหนึ่งรูปเกิดดำเนีเพราะนั้นเราจะเห็นตัวรูปได้ดีนะต้องส่งสมาธิที่ลึกกว่าคณิกาสมาธิ แต่ถ้าใจของเราวอกแวกวอกแวกอย่างนี้นะดูจิตดูใจของตัวเองไปใจหลงไปคิดเรารู้ใจไหลไปเพ่งเรารู้ฝึกบ่อยๆต่อไปใจขยับนิดเดียวเห็นเลยมันเห็นเองสติมันจะลงไปเป็นขณะขนนะสมาธิก็เป็นขณะขณะก็จะเห็นสภาวะของจิตใจทีละขณะทีละขณะไปนะสมาธิเราเล็กเราก็เรียนของที่มันอายุสั้นๆคือจิตใจของเรา สมาธิเราแข็งแรงยาวแล้วก็เรียนรู้รูปได้เหมือนกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถีายานิสเหมาะกับคนเล่นชานจิตตานุปัสสนาการดูจิตเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ย ว, ยน อ, นยวอย่างนี้นะมันเปลี่ยนเร็วนะมันเหมาะกับคนที่ไม่ได้ชานนั่นหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยบอกหลวงพ่อนะว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองตอนท่านบอกหลวงพ่อไม่เชื่อหรองเพ่อใครๆเขาก็ดูกาย นะแต่ท่านสอนหลวงพ่อก็ไม่เถียงท่านออกนะเราก็ภาวนานท่านให้หลวงพ่อดูจิตหลวงพ่อก็ดูดูอยู่ปีกว่าๆนะหลวงพ่อพุดท่านก็สั่งหลวงพ่อแล้วว่าคุณไปเขียนประสบการณ์การปฏิบัติของคุณนะที่ดูจิตนะไปเผยแผะนะ่ท่านบอกให้คุณไปเผยแผ่ท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่รู้จะไปเผยแผ่ที่ไหนหนะลวงพ่อเลยไปเขียนไปลงหนังสือโลกทิพย์ตอนนั้นนะ เราไม่รู้จะไปเผยแผ่ยังไงเขียนไปลงหนังสือประสบการณ์การปฏิบัติใช้ดูจิตดูใจอันนีหลวงพ่อพูดท่านบอกว่าคนทั้งมีจริตนิสัยอย่างคุณ่ยังมีอีกมากเพราะฉะนั้นให้คุณไปเผยแผ่ที่หลวงพ่อมาสอนพวกเราดูจิตดูใจอะไรนี่ไม่ใช่เสลอมาสอนเองนะสอนมาตั้งแต่เป็นโยมหลวงพ่อพูดท่านสั่งครูบาอาจารย์สั่งก็ทําะไม่ได้อยากทําหรอกแต่ว่าท่านสั่งเราก็ต้องทํา นี่มาถึงวันนี้ใช่ไมรู้แล้วก็ทําไมต้องดูจิตกันเพราะเราเข้าฌานไม่เป็นเราจะไปดูกายเนะยดูได้ไม่เก่งหรอกนะเพราะงั้นเราก็ดูจิตเอาเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็สุขเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็ทุกข์เห็นไหมจิตเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่เดี๋ยวก็ดีนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคุ้มดี ค, มดคุ้มร้ายอยู่ทั้งวัน่ะล่วมเป็นขณะขณะขณะไป เรารู้เป็นขณนะขณะได้เนี่ยเพราะเราเคยฝึกเคยซ้อมเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไปเพ่งเรารู้นะต่อไปเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมันจะรู้อัตโนมัติถึงตรงนั้นนะที่เราเดินปัญญาได้ด้วยการดูจิตดูใจตัวเองไม่ต้องเข้าฌานก่อนนะแต่สุดท้ายก็ได้ฌานนะอย่างน้อยได้ปฐมฌานทุกคนน ะ, นะตอนที่มันแตกหักได้มรดได้ผลอะไรเนี่ยมันจะต้องเข้าฌาน ต่ทง ท, งที่เราไม่เข้าฌานนะเข้าฌานไม่เป็นนะตอนที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะเข้าฌานของมันเองนะมันจะเป็นอัตโนมัติมันจะเป็นของแถมนะเรื่องฌานจะกลายเป็นของแถมไปแต่แถมบางคนก็แถมถึงหนึ่งสองสามสี่นะบางคนแถมไปถึงแปดเนี่ยถึงฌานที่แปดเลยบางคนก็ได้ฌานที่หนึ่งอะไรย่างเงี้ยตรงนี้เราเลือกไม่ได้ และแต่กําลังของจิตเราถ้าเราเคยฝึกสมาธิมาเยอะก็เข้าถึงฌานที่สูงขึ้นไปนะถึงฌานสนะี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรเนี่ยถ้าเราไม่เคยได้สมาธิไม่เคยฝึกเลยเนะ่ยบงทีได้แค่ปฐมฌานได้ฌานที่หนึะนะ่งเท่านั้นฌ้นที่หนึ่งก็บรรลุมากผลได้ละงไม่ต้องกังวลนะทําสมาธิไม่เป็นก็ไม่ยุ่งยากอะไร ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไปเรื่อยๆแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับจิตมันจะรู้ได้โดยไม่เจตนาจะรู้ตรงที่มันรู้โดยไม่เจตนาจะรู้ตรงนั้นอะไรมันเดินมิปัสนาแล้วจะเห็นในจิตโลภมันเกิดแล้วมันก็ดับจิตโกรธมันเกิดแล้วมันก็ดับจิตหลงมันเกิดแล้วก็ดับนะจิตฟุ้งซ่านจิตโหดหูเกิดแล้วก็ดับจิตสุขจิตทุกขจิตไม่สุขไม่ทุกขเกิดแล้วก็ดับจะเห็นในนี้ จิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับกุศลก็มีหลายระดับนะกุศลธรรมดากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาอะไรนะมีหลายระดับถ้ากุศลใดประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเป็นกุศลชั้นสูงกุศลใดไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นกุศลชั้นต่ํำแต่ก็ดีกว่าเป็นอกุศลงั้นปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านถือว่าปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะที่เลิศที่สุดในโลก นี่สิ่งที่เราภาวนาเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาคือตัวปัญญานั่นแหละคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกรู้ถูกเข้าใจถูกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ความเข้าใจมันจะขยายตัวออกไปเองโลกนี้มันก็เหมือนกันแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันคนที่เรารักตา ย, ย่างเงี้ยหรือแฟนเรานอกใจอะไรเงี้ยมันเรื่องธรรมดา เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงอะไรเงี้ยรู้สึกอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ธรรมดาอยู่บ้านมานะสร้างบ้านมาสะดีเลยสวยงามเก็บเงินส่งบ้านมาจนสำเร็จละไฟไหม้ไปก็เสียใจบ้านถูกไฟไหม้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะแล้วเราก็ลำบากแลว้ววะไม่มีบ้านอยูนะ่แต่ว่าบ้านที่เราเคย อ, อยูนะ่ให้ความสุขเรามาตั้งนานแล้ว อ น, นี้มันไม่ให้แล้วมันก็ธรรมดาไม่มีอะไรยั่งยืนหรอกบ้านของเราบ้านของเราเนี่ยจริงหรือเปล่าที่เป็นบ้านของเราวันนี้เป็นบ้านของเรานะวันข้างหน้าก็ไม่ใช่บ้านของเราอย่างหลวงพ่อเคยไปอยุธยานะเข้าไปในพระราชวังโบราณ น, นะวังมันมีแต่ซากปราสาทน้นซากปราสาทนี้นะ ยงนึกเลยนะ่ก่อนถ้าเรามาเดินเล่นอย่างนีนน้ถูกตัดหัวเลยเข้าไปเดินเล่นในวังเดี๋ยวนี้เข้าไปเดินได้ไม่มีใครว่าเนี่ยสมบัติของโลกครั้งหนึ่งหวงแหนมากเลยทีน่นี้เข้าไม่ได้มาอีกวันหนึ่งเจ้าของเดิมไม่อยู่แล้วคนใหมนะ่เข้าไปอยู่แทนอะไรอย่างเงี้ยหรือ บ, บ้านเราก็เหมือนกันนะวันนี้เป็นของเราไว้ขา้างหน้าเขาไม่ใช่ของเราถ้าบ้านไม่พังซะก่อนถ้าบ้านพังไปก่อนก็ ฟังก่อนเราเนะเราก็ต้องไปหาบ้านเอาใหม่เมืองนอกนะฝ้อ เ, เคยดูข่าวอยู่ในกล่องกระดาษนะที่ญี่ปุ่นนะไม่มีบ้านอยู่นอนอยู่ในกล่องในหลังอ่ะหลังกระดาษหนะลังกระดาษเนี่ยคนไทยให้แมวนอนใช่ไหมให้แมวนอนในกล่องพวกนี้เ็าต้องอยู่นั่นก็คือบ้านเหมือนกันแต่ไม่สูงไม่สบายกับไม่เท่ากันกับไม่เท่ากัน เข้าใจโลกเข้าใจกาเข้าใจใ จ, ใจตัวเองจะอยู่กับโลกได้อย่างเข้าใจโลกถ้าเราเข้าใจโลกว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงนั่นละผิดธรรมดาพอเราเห็นว่าทุกอย่างมันธรรมดาเนี่ยใจมันยอมรับได้ อย่างเราจะต้องแก่เป็นเรื่องธรรมดาเราต้องเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาเวลาแก่นะแทนที่จะเสียใจว่าแก่แก็ภูมิใจเออเก่งเมื่ง อ, อยู่มาจนแก่ได้ไมนะ่ธรรมดาของเรานี่ยาวเชียวนะอยู่มาจนแก่เจ็บไข้เขาไม่หวั่นไหวนะเนี่ยเป็นเวลาที่ได้ทดสอบแล้ว่ากรรมฐานที่เรียนมาได้ผลไหม มาเจ็บไข้แล้วทุรนทุรายโอ้ยังฝึกไม่ดีชาติหน้าไปฝึกต่ออีกพอฝึกมาดีนะร่างกายเจ็บป่วยใจไม่เศร้าหมองร่างกายตายไปใจไม่เศร้าหมองเนี่ยเหมือนเวลาปัญหาชีวิตเข้ามาสู่ตัวเราก็ทั่งตัวเองจะตายนะเราก็เอามาใช้ปฏิบัติธรรมได้ใช้ปฏิบัติธรรมเรียนรู้ความจริงไป ยอมรับได้ไหมที่จะต้องแก่ใครนึกถึงผมงอกเส้นแรกได้บ้างเห็นผมงอกเส้นแรกตกใจไหมหรือดีใจโอ้ผมงอกดีใจดีใจนะคงไม่ดีใจหรอกนะเพราะว่าสั ญ, ญลักษณ์ของความแก่มาถึงตัวแล้วนะหางตาเริ่มมีประกายแวววาวเป็นชั้นๆนะตีนกาอันแรกขึ้นเยเจ็บปวดมากใช่ไหม อันที่สองอันที่สามก็ยังเจ็บปวดมากตื่นเต็มหน้าเลยเขาเนี้ยเนะฉยเฉยละเฉยเฉยถ้าเราไปนับภาวนานะบุญนะอยู่มาจนแก่ป่านนี้เป็นบุญนนะที่อยู่มาได้จนแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะนอนคนอื่นเขาทุรนทุรายเราก็เออพระพุทธเจ้าสอนความจริงนะร่างกายนี้มันทุกข์จริงๆนะเห็นความจริงมอนเขาไม่ทุรนทุราย จะตายก็ตายอย่างสงบนะมีความสุขพระอรหันนะวันที่ท่านจะตายเนะี้ยท่านจะผ่องใสเป็นพิเศษนะไม่ใช่ดีใจที่จะตายนะถ้าดีใจที่จะตายเนะี่ยยังยังโลภอยู่แต่ทำไมท่านผ่องใสท่านรู้ว่าภาระที่ท่านต้องแบกหามไว้จะหมดสิ้นลงแล้วเวลาที่เราทำงานหนักมาตลอดชีวิตแล้วถึงวาระที่เราจะพ้นจากงานนะั้น จะวางงานนั้นลงมันจะผ่อนคลายงานที่ยากยากเนี่ยทำสำเร็จละงานที่ยากที่สุดของพวกเราก็คือการรักษาชีวิตอยู่ใ น, ในี่ะยากมากชีวิตนี่แต่งดับง่ายเพราะนั้นวันที่พระอระหันต์ท่านจะตายนะท่านจะผ่องใสงานของท่านกะลังจะสิ้นไปงานที่จะต้องแบกขั น, นสิ้นไปแล้วมีความสุขแต่พวกเราไม่ได้ภาวนา พอจะตายนี่คือความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไผ่ภาวนาเข้านะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะมันเป็นธรรมดาไปหมดเลยเรามีความสุขได้ในทุกๆสถานการณ์น ะ, ะเชิญส่งกันบ้านหมายเลขยี่สิบหค่ะ ประเมินผลการภาวนาในรอบหกเดือนคิดว่าดีขึ้นเห็นกิเลสบ่อยขึ้นหลงบ่อยขึ้นบางครั้งเห็นแรงเสียดทานพุ่งขึ้นกลางอกแล้วเหวี่ยงเป็นโทสะบ้างโลภะบ้างบางครั้งก็เป็นแรงเสียดทานเล็กๆยิบยับอยู่เห็นแล้วส่วนมากจะไม่ค่อยชอบและทุกข์ในภาพรวมจิตยังไม่ถูก ยังเพ่งอยู่และจิตยังแก้สภาวะอยู่ขอให้หลวงพ่อชี้แนะเพิ่มเติมครับไม่จำเป็นไม่จาเป็นต้องชี้แนะนะทำถูกแล้วล่ะก็ไปทำต่อความเป็นตัวตนของจิตยังอยู่นะเราก็รู้ทันไปสภาวะทั้งหลายที่เล่ามานะนะั้นถูกต้องทั้งหมดดีที่เห็นอย่างนั้น แล้วใจเราเข้าไปแทรกแซงรู้ว่าไปแทรกแซงก็ดีอีกนะใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบก็ดีอีกคือเราสามารถรู้สภาวะตามที่มันเป็นได้ น, นั่นแหละคือนะักปฏิบัตนะิไม่ใช่จงใจสร้างั น, น้นจงใจลบล้างอันนี้ไปอย่างตอนนี้ใจเราลงไปคิดเรารู้ว่าใจลงไปคิดใจเราเป็นไงเรารู้ไปอย่างที่มันเป็นนะหมายเลขยี่สิบดค่ะ ปฏิบัติทำมาสี่สิบกว่าปีแล้วได้ฟังทำจากหลวงพ่อปีกว่าๆ <c oughs> ขอหลวงพ่อแนะนําว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปปฏิบัติดีขึ้นนะแต่ยังเพ่งอยู่บ้างยังมีการเพ่งอยู่รู้ไหมเนี่ยเวลาเพ่งนั้นมันจะใจมันจะเป็นอย่างนี้ น, นะมันจะไม่เป็นธรรมดา มันยังบังคับอยู่แต่การบังคับนะั้นลดน้อยลงไปเยอะแล้วนะใจสว่างสวยขึ้นมาดูออกไหมตัวนี้นะมันดีขึ้นแล้วละ่ะมันยังติดการบังคับอยู่นิดนึงแล้วตอนนี้ใจฟุ้งซ่านดูออกไหมเออดูออกก็ใช้ได้หลวงพ่อก็ถามไปอย่างนั้นแหละถามโน้นถามนี่ถามวิสัย<ม>คนแก่หาคนคุยด้วย <laughs> ไปฝึกต่อไปอนี้ใจมันหลงอีกแล้วรู้ไหมรู้อย่างที่มันเป็นห้ามมันไม่ได้ดูไปเลขสี่สิบสี่ค่ะสุดท้ายก็เหลือแค่หลงแล้วรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและใจที่เป็นกลางด้วยความเป็นไตรลักษณ์คำถามคือไม่ทราบว่าการปฏิบัติของผมมาถึงจุลโสดาบันแล้วหรือยังครับ และอีกนานไหมกว่าที่ผมจะพึ่งตัวเองได้คำถามนี้อย่าถามดีกว่านะไม่ดีถ้าหลวงพ่อบอกว่าจะได้นะมันจะขี้เกียจถ้าบอกว่าไม่ได้ก็ทอแท้อะไรอย่างเงี้ยหรือบอกว่าจะได้นะก็ฟิดจัดรุยแหลกเลยก็เสียอีกได้ไม่ได้แล้วแต่ผลที่จะทำหน้าที่เราก็ทำเหตุไปเรื่อย จุลสอดดาบันเนี่ยเพื่อเราเห็นนะว่าสิ่งทั้งหลายมันมาจาเหตุเราเห็นแต่มันยังไม่ได้เห็นด้วยวิปัสนาถเเอะไม่ยังไม่ใช่เป็นวิปัสนาปัญญาเราแยกขันออกไปเราเห็นขันแต่ละขันมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นเช่นความสุขเรากระทบอารมณ์ที่พอใจความสุขก็เกิดขึ้น กระทบมารมณ์ไม่พอใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นนะสิ่งทั้งหลายมาจากเหตุทั้งหมดเลยนะถ้าหญ่นั้นก็เป็นตำลาเรียกชุลโสดานะแต่ว่าถึงไม่ถึงไม่สำคัญเราเพราะมันของเสื่อมนะมันยังเสื่อมได้อยู่มันยังไม่ใช่โลกุตละหน้าที่เราก็คือภาวนาต่อไปของคุณมุ่งโสดาบันเยอะไปเดี๋ยวเวียนหัวนะภาวนาของเราเป็นวันๆไปนี้แหละ มีสติเป็นขนาขนาดไปสบายกวา่าได้ไม่ได้เขาแล้วแต่เวรแตกรำหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือเจริญสติเจริญปัญญาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปยังไม่เป็นกลางดูอกไหมเนี่ยดูสิ่งที่เราเป็นจริงๆริงใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางใจหลงไปคิดรู้ว่าใจหลงไปคิดเรียนรู้มนไปเรื่อย เดี๋ยววันหนึ่งก็รู้ว่าธรรมดามันเป็นยังไงนะดีแล้วล่ะมีความตั้งใจนะดีตั้งใจแล้วก็วปฏิบัติอย่าที่พร้อนดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นดูไปเรื่อยๆดูไปบ่อยๆเท่านั้นแหละผลที่เหลือมันเกิดเองเลขห้าสิบแปดค่ะ ผมฝึกการปฏิบัติเน้นในชีวิตประจำวันอยากทราบว่ามีการเพ่งไปหรือไม่ครับหรือจะฟุ้งซ่านไป <c oughs> อยากให้หลวงพ่อแนะนำข้อบกพร่องจุดอ่อนที่ควรจะได้นำไปปฏิบัติต่อไปครับมันก็มีทั้งเพ่งทั้งฟุ้งนะนะธรรมชาติพยายามฝึกในรูปแบบบ้างนะ จเจริญสติในชีวิตประจําวันรวดไปเลยเนะี่ยถึงจุดหนึ่งกำลังของจิตมันจะไม่พอนะจิตมจะไปติดอยู่ในว่างๆเพราะฉะน้นเราทําในรูปแบบอย่างหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างอะไรเงี้ยฝึกวันละเล็กวละน้อยวันละครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยฝึกไปนะแล้วพอใจเรามีกําลังเนีเวลาเรามาอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะไม่เพ่งนะแล้วก็มันจะไม่เผลอนาน แต่ถ้าใจเราไม่มีกําลังนี ม, มาอยู่ในชีวิตประจำวันนะถ้าไม่เผลอก็เพง่งทําไมต้องเพ่งเพราะกลัวเผลอทําไมเผลอเพราะไม่มีแรงใจมันหนีไปเพราะฉะนั้นการทำในรูปแบบสําคัญนะหลวงพ่อเนี่ยผิดพลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกในตัวหลวงพ่อเองนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยทําสมาธิมาแต่เด็กตั้ง22ปีแล้วไม่ได้อะไรได้แต่สมาธิในใจลึกๆเนี่ยดูถูกการทําสมาธิ ดูถูกการทำในรูปแบบดูถูกการทำสมถะมาเจริญปัญญานะได้สักสองปีนะสมาธิไม่พอละยี่สิบปีนะเอามาใช่ได้สองปีอ่นะีงั้นสมาธิไม่ใช่เรื่องที่ว่ามีแล้วมีตลอดเป็นของเสื่อมถ้าเราไม่มีเลยเนะียถึงจุดหนึ่งนะจิตจะไม่เข้าฐานจริงแล้วงั้นไปฝึกในรูปแบบเพิ่มขึ้นนะ Mm. มันจึงจะมีกำลังการทำในรูปแบบทุกวันนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ขอให้ได้ทำเถอะทำไปช่วงหนึ่งนะหลายๆเดือนในเะนี้ยเราจะพบว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงจิตมันมีพลังขึ้นเวลาที่จะรู้สภาวะอะไรเนะี่ยมันรู้โดยไม่ต้องเจตนาจะรู้ไดนะ้แล้วไม่ไปเพ่งไม่ไปจ้องไม่ไปบังคับตัวเองใจมันมีอิสระในตัวเองมันมีกาลังนะ ไม่ต้องควบคุมมันงั้นการทำในรูปแบบเป็นเรื่องสำคัญนะไปทำเข้าหมายเลขแปดสิบค่ะเห็นกิเลสบ่อยตลอดโดยเฉพาะโมหะจิตตั้งและไหลไหลเห็นโทสะเกิดและดับบางครั้งดับสนิทหายไม่มีโทสะเหลือแต่บางครั้งจิตไม่มีกำลังรู้ว่าโทสะเกิดแต่ไม่ดับยังหนักหนัก จิตไหลรวมไปกับอารมณ์โกรธเห็นโลภะตอนแรกคิดว่าตัวเองโลภะน้อยเพราะความอยากได้ในสิ่งของไม่มากมแต่แท้จริงแล้วความโลภเนียนมากกลายเป็นว่าทุกอย่างที่ทำอยู่อยู่ภายใต้โลภะเวลาสติจิตมีแรงเห็นจิตตั้งและไหลๆแบบนี้คือหลงมากหรือเห็นถูกต้องแล้วคะ่ะ ที่ดูเห็นนะเห็นถูกแล้วนะแต่จุดอ่อนมันยังมีพื้นของจิตเนี่ยมันเต็มไปได้วยความฟงาุงซ่านตัวนี้ดูออกไหมมันฟงุฟงฟงุงฟุงมากเลยนะเพราะงั้นเราต้องช่วยมันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ทำไปเรื่อยๆหรือถ้าไม่ชอบอย่างนี้จะใช้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้อะไรก็ได้กรรมฐานอันนี้แต่ว่าคอยรู้ทันจิตตนเองไม่บ่อย เวลาจิตมันหนีไปจะได้รู้ได้เร็วต่อไปสติมันเร็วขึ้นความฟุ้งซ่านก็ไม่นานเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปนะแกฟุ้งแล้วก็ดับเป็นรู้รู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเป็นฟุ้งสลับกันสลอดเวลานะตัวนั้นเราจะเดินปัญญาได้จริงๆของหนูตอนเนี้ยนะพื้นของจิตมันฟุ้งเยอะไปเพราะงั้นเราต้องฝึก ให้จิตมีกําลังให้จิตมันตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวให้เยอะๆหน่อยแล้วก็ทุกวันฝึกในรูปแบบทํากรรมฐานอย่างหนึง่งแล้วรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปไม่บังคับว่าห้ามเคลื่อนเคลื่อนได้แต่เคลื่อนเรารู้แล้วตอมาอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็มาอ่านจินานใจอย่างที่ทํานั่นแหละถูกแล้วในเห็นจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นดูถูกแล้วล่ะ เพียแต่กําลังของจิต ท, ที่ไปดูนั้นยังไม่พอก็เพิ่มกําลังด้วยการทําในรูปแบบไปนะแล้วเวลากโกรธที่ไม่ดับเพราะจิตไม่มีแรงใช่ไหมคะไม่มีสติไม่มีสมาธิพอนะสติไม่ได้เกิดจริงแต่มันเกิดโทสะซ้อนโทสะอย่างความโกรธเกิดขึ้นพอเราไปเห็นมันเนี่ยนะแทนที่จะเห็นด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะียเราไปเห็นด้วยจิต ท, ที่ไม่ชอบ เราอยากให้มันดับอยากให้มันดับแล้วมันไม่ดับนะเราก็มโมโหมันกลายเป็นโกรธซ้อนโกรธไปอีกนะเราเป็นคนหล่อเลี้ยงความโกรธเอาไว้นั่นแหละดืวยความอยากของเราแต่ถ้าใจเราเป็นกลางเรเห็นมันเกิดแล้วมันดับใจมีพลังนะก็ตั้งมัานเป็นกลางห้เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับได้ตรงที่เห็นสภาวะเกิดแล้วดับนะั่นแหละคือตัวปัญญา ปัญญาจะเกิดได้จิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้องฉั้นจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางมีสมาธิถูกต้องแล้วก็เห็นทุกอย่างเกิดระดับเกิดระดับนี่ตัวปัญญานี่สมาธิเราไม่พอใจเราอย่างฟุ้งซ่านอยู่พอเห็นความโกรธก็ไม่ชอบมันอยากให้มันดับไปอยากให้มันหายไปนะีความอยากมันเกิดนะความอยากมันเกิดนะสติไม่เกิดมันไม่มีสติจริง ถ้ามีสติจริงกิเลสจะต้องดับทันทีนี่เป็นกฎของธรรมะนะเป็นกฎของธรรมะเลยถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะต้องไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะต้องไม่มีสติเฉนั้นทําไมมีกิเลสไปรู้ไ ป, ไปอะไรเนะี่ยเพราะว่ามีแล้วสติไม่ได้เกิดจริงสมาธิไม่ดีพอมีแล้วก็เมื่อไหรจะดับเมื่อไรจะดับงุนหงิดนะ ใจมีควาหมหงุดนีิดซ้อนเข้ามานี่คือกิเลสที่ซ้อนเข้ามาอีกค่อยๆดูเป็นชอดๆไปนะค่อยๆดูเดี๋ยวก็เห็นหมายเลขก92ค่ะตอนนี้ผมใช้การรู้ลมหายใจและรู้ตัวดูร่างกายและดูใจครับอยากถามว่าผมปฏิบัติถูกไหมครับและควรจะเพิ่มอะไรบ้างครับที่ทำให้เจริญมากขึ้นครับ ปฏิบัติถูกนะแล้วก็อย่ารีบร้อนอย่าอยากได้ผลเร็วๆถือว่าทุกวันนี้เราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรเข้าตัวเองนี่พอเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปเรื่อยๆนะใจเราก็สงบใจเรามีกําลังใจเราสว่างผ่องใสเราก็รู้ใจอย่างที่ใจเป็นแล้วต่อมาใจเราเศร้าหมองลงไปมีกิเลสเข้ามา เราก็รู้ว่ามันเศร้าหมองรู้ว่ามันมีกิเลสนะแล้วก็หายใจไปรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปตรงนี้จะได้ปัญญาหายใจไปแล้วก็ให้ใจสงบสบายนิ่งอยู่จะได้สมาธิหายใจไปแล้วเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปใจเป็นแค่คนดูนะตัวนั้นจะได้ปัญญามันต่อเข้าจากตรงละหายใจนี่ทาได้เลยขึ้นวิปัสสนาไปได้เลย แต่ตอนนี้เริ่มบังคับใจแล้วดูออกไหมนะไปบังคับให้มันนิ่งๆนะอย่าไปบังคับมันบังคับนี่เหนื่อยเปล่าการบังคับจิตตนเองหรือบังคับกายตนเองนะั้นแหละคืออัตตกิลมฐานุโยกเอสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ควรทำนะการปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสไปเรียกว่าความสุขาริการุโยคพระพุทธเจ้าก็บอกมาให้ทำนะเราจะเป็นทางสายกลางตามกรรมฐานไป แล้จิตใจมันเกิดอะไรขึ้นเขาแค่รู้ทันมันไปรู้อย่างที่มันเป็นไม่ต้องอยากให้ดีหรอเดี๋ยวมันก็ดีเองที่ผ่านมาถึงจุดนี้รู้สึกไหมเราดีขึ้นตั้งเยอะแล้วมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเอาดีไงเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดตัญญาเนะี่ยเรื่องดีเรื่องสงบเรื่องสุขอะไรนี่เป็นผลปลอยได้มาเองไม่ได้เจตนามันก็มาเองงั้นเราก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไป จิตสงบก็รู้หายใจเข้าพูดออกทอจิตฟุ้งซ่านก็รู้แต่ยัยตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วเราก็รู้ว่าจิตหนีไปคิดฝึก อ, อย่างนี้บ่อยๆแล้วล้วก็จะก้าวหน้าดีที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้ช่วงนี้ผมต้อง <c oughs> ยุ่งกับโลกมากครับมีงานต่างๆคือการบ้านที่โรงเรียนเยอะครับจะทำอย่างไรดีครับมีมีอะไรนะ การบ้านค่ะการบ้านที่โรงเรียนค่ะยังเรียนหนังสืออยู่เหรอเรียนหนังสือก็มีหน้าที่เรียนนะมีหน้าที่เรียนเขาเรียนไปใจมันเครียดรู้ว่าเครียดใจมันกังวลรู้ว่ากังวลความเครียดความกังวลไม่ทําให้เราเรียนเก่งหรอกแต่มันค่อยแทรกเข้ามาให้เรารู้ทันมันแล้วก็จัดระเบียบชีวิตของเราให้ดี คนที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาไม่ว่างไม่มีเวลานียเท่าที่หลวงพ่อสังเกตนะคือคนที่จัดระเบียบชีวิตตัวเองไม่ดีถ้าจัดระเบียบชีวิตตัวเองดีนะคาว่าไม่ว่างมไม่มีหรอกเงินอย่างถึงเวลาเรียนเราตั้งใจเรียนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปอ่านทบทวนมากเพราะมันเข้าใจสาระตั้งแต่ตอนเรียน แต่ถ้าตอนเรียนเราก็ฟุ้งไปคิดเรื่องน้นเรื่องนี้คิดเดี๋ยวเย็นนี้จะไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยเรียนไม่รู้เรื่องเยเวลาจะมาสอบเนี่ยันต้องอ่านหนังสือเยอะเงินเวลามีหน้าที่ทำอะไรก็ทำลงไปให้จดจออ่องานนั้นๆแล้วชีวิตเราจะไม่ยุ่งยากทีหลังหมายเลขหนึ่งร้อยสามค่ะ รู้ว่ามีจุดอ่อนในเรื่องความตกใจเช่นเวลาหลงทางหรือถูกล็อกในที่ใดที่หนึ่งยังไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะขอให้หลวงพ่อแนะนำด้วยเพราะจะกลัวมากมันก็น่ากลัวนะถ้าอยู่อยู่แล้วถูกล็อกเนี่ยมันล็อกยังไงล็อก ค, คอเหรอถ้ามันไม่ได้จริตนิสายเรามันชี้กลัวมัี้ตื่น มันห้ามไม่ได้หรอกเราฝึกสติไปเรื่อยเรื่อยเรื่อง ต, ตกใจอะไรเนเรื่องธรรมชาติฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ไม่ค่อยตกใจนานแต่เดิมเนี่ยตกใจแล้วใจเต้นตุ่มๆอยู่ตั้งนานนี่เราฝึกภาวนาเรื่อยเรื่อต่อไปตกใจก็แป๊บๆเดียวก็หายเดี๋ยวนี้รู้สึกไหมตกใจสั้นลงอะ่ะเห็นไหมนั่นแหละผลของการภาวนา ฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปก็ยังตกใจอยู่ยังเดินเดินอยู่ฟ้าผา่าใกล้ๆเราเปลี้ยงไงยังไงก็ตกใจแต่ตกใจปุ๊บนี่จิตราบเลยไม่ตื่นเต้นต่อหรอกแล้วนะค่อยๆฝึกไปดีแล้วล่ะที่ฝึกอยู่นะแต่จิตไม่เข้าฐานเรตอนเนี้มาตั้งใจฟังหลวงพ่อจิตไม่เข้าฐานดูออกไหมจิตมันวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเห็นจิตใจตนเองเคลื่อนที่ได้ใช้ได้แนละ้ว ในเลขหนึ่งเจคนสุดท้ายค่ะส่งการบ้านครั้งแรกฟังสื่อคำสอนของหลวงพ่อมากว่า10บปีมีโอกาสปฏิบัติมากขึ้นหลังจากเกษียรรักษาศีลห้าใช้ลมหายใจและพุทโธเป็นเครื่องอยู่ของจิตทุกเช้าตีห้าจะออกมาเดินรอบหมู่บ้านเป็นเวลาห0ินาทีใส่หูฟังย t u b e หลวงพ่อไปด้วย รู้กายที่กำลังเคลื่อนไหวเห็นความปวดตรงโน้นตรงนี้เห็นจิตที่เผลอไปคิดเผลอแล้วรู้กลับมาฟังหลวงพ่อต่อเมื่อปีก่อนขณะเดินอยู่เงียบๆ เ, เห็นจิตกับกายมันแยกกันอยู่คนละฝ้าถนนในหมู่บ้านรู้สึกตกใจกลัวจะเป็นลมแล้วกายกับจิตก็มารวมกัน หลังจากหยุดเดินก็กลับบ้านไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิยี่สิบสาสิบนาทีหลังจากนั้นก็ทำอาหารล้างจานรดน้ำต้นไม้ดูข่าวสารบ้านเมืองดูราคาหุ้นขึ้นขึ้ น, นลงล ง, ลงเห็นอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเห็นจิตมันโลภโมโหชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า ที่ปฏิบัติมานี้จิตผู้รู้ถูกไหมคะมีจุดอ่อนหรือทำผิดตรงไหนไหมคะงานภาวนานั้นเป็นงานละเอียดรีบร้อนไม่ได้นะแต่เรารีบร้อนใจมจะฟุ้งซ่านเพราะนทําอย่างที่เราทานี่แหละแต่ไม่หวังผลว่าจะต้องดีตลอดเวลาจะต้องรู้สึกตัวตลอดเวลา อย่าไปตั้งเป้าว่าตัวรู้จะต้องมีอยู่ตลอดเวลาถ้าตั้งเป้าว่าต้องมีตัวรู้ตลอดเวลามันจะเครียดฉะนั้นมีตัวรู้บ้างตัวหลงบ้างอย่าให้หลงยาวเท่านั้นแหละเวลาจะเดินจะไปทำอะไรนะก็อคอยรู้เนื้อรู้ตัวไว้อย่ามาใส่หูฟังหลวงพ่อแล้วเดินอยู่ข้างถนนนี่ถือว่าประมาทนะรถเขาบีบแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรง้ต้องระมัดระวังนะ หรือเป็นผู้หญิงนะมืดๆก็ อ, อย่าออกไปเดินไม่ใช่ว่าตั้งใจว่าจะต้องไปเดินตีห้าวันนี้ไม่ยอมสว่างเลยช่วงฤ ด, ดูนี้สมมตินะนะก็ยังฝืนอะไรเงี้ยก็เรื่องไม่รู้จักกาลเทศะเพราะฉะ้การภาวนาเนะี่ยตั้งใจภาวนานะทําจริงๆทําถูกต้องแต่ว่าต้องรู้จักกาลเทศะด้วยแล้วนภะาวนาสังเกตใจไป ใจเรอยังฟุ้งเก่งให้รู้ว่ามันฟุ้งซ่านทำกรรมฐานสอานัอย่างนึ่งองหายใจเข้าพูดออกโทเนี่ยเวลาทำเพื่อความสงบเนี่ยเราไม่สนใจเรื่องปัญญาไม่ต้องสนใจเลา ว, ว่าจะเห็นเกิดดับไหมนะเวลาที่มุ่งไปที่ความสงบก็คือเอาความสงบหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะไม่สนใจอันอื่นจิตก็จะได้ภาพได้มีแรงแล้วเสร็จแล้วก็ อ, ออกไปกระทบอารมณ์ ให้เห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเราเป็นคนดูอยู่ห่างๆการที่เห็นกายอยู่ฝั่งหนึ่งจิตจะอยู่อีกฟากถนนหนึ่งนั้นมันมากไปนะมันมันแยกห่างไกลไปคำว่ากายกับใจแยกกันเนี่ยไม่ได้แยกกันอยู่คนละที่แต่ว่ามันแยกในความรู้สึกอย่าขนาดนี้ยืนอยู่เห็นร่างกายมันยืนใจเป็นคนรู้แค่นี้ก็เรียกว่าแยกแล้ว นะไม่ใช่ว่าต้องตัวอยู่นี่ร่างกายอยู่นี่ใจเปเป็นคนดูอยู่ที่อื่นแยกกันอยู่ไกลๆไม่ใช่อย่างนั้นอากาศชื้นๆน่ น, นะหลวงพ่อไม่ค่อยถูกชะตาช่วงนี้ชื้นจัดเห็นไหมตอนหลงพ่อดื่มน้ำเนะียจิตเรา ขยับไปขยับมารู้เฉยๆอย่าประคองอย่างขณะนี้นะขณะนี้รักษาอะไรเงี้ประคองไว้รักษาไว้มันจะเครียดรู้สบายๆรู้อย่างที่มันเป็นรู้บ้างเพลอบ้างก็ได้ไม่ต้องรู้ตลอดเวลาไม่ต้องพยายามรู้ตลอดเวลา น, นี่ของของหนูมันมันรักดีมากไปหน่อยมันอยากได้รู้ตลอดเวลาอนะไรเงี้ย ให้เป็นธรรมชาติกว่านี้จะได้สบายกว่านี้ในภาพรวมใน่ใช้ได้แล้วล่ะเหลือต้องปรับใ้เรื่องใจมันอยากดีอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นแหละไปทำเอาถ้าทำงานเล่นหุ้นนังก็เหนื่อยหน่อยละใจมันจะขึ้นขึ้นลงลงทั้งวันนะหมดแล้วเนาะหมดแล้วก็เชิญกลับบ้าน